ในชีวิตของเราเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีอะไรที่จะช่วยเยียวยารักษาให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์เนี่ยนะฮะได้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้แหละครับคือบทบาทของธรรมะตัวแท้นะครับธรรมะตัวแท้อย่างที่เราเห็นอาจารย์กำพลเนีนะฮะถ้าเราเป็นสภาพอย่างที่เป็นเนี่ยเราจะมีความสุขอยู่ได้ไหมนะครับเราจะเป็นชีวิตที่ยังมีคุณค่าต่อครอบครัว ต่อสังคมได้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าในสมัยครั้งแรกที่ผมเห็นอาจารย์เนี่ยนะฮะภาพที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ทราบไหมฮะผมเห็นถึงภาพคังคกที่ถูกลดเหยียบฮ ะ, ะขออภัยนะผมไม่ได้ผมไม่ได้นั่นนะฮะแต่มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆที่ตอนผมเห็นนะฮะภาพคังคกที่ถูกลดเหยียบไปแล้วมันแห้งตายซากอยู่นะครับ นั้นถ้าชีวิตอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นชีวิตที่ไม่มีประโยชน์เลยนะอยู่เปลืองเข้าสุขเข้าสารไปวั น, วนๆเท่านั้นเองนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรที่เป็นสาเหตุหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกลับมามีชีวิตที่มีชีวานะครับเป็นชีวิตที่มีชีวาแล้วก็เป็นชีวิตที่มีคุณมีค่ามีประโยชน์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะ ตรงนี้แะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าทุกๆชีวิตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนในตัวเองเราทราบอยู่ทุกวันว่าทุกวันเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเราเชื่อกันร้อยเปเลยว่าจะต้องมีคนเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะต้องมีคนเจ็บต้องมีคนตายเราเชื่อแล้วก็มั่นใจได้เลยอีกอย่างเหมือนกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งใช่ไหมฮะเราเชื่อ อ, อีกเช่นเดียวกันว่า แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะฮะมีคนที่มีความทุกข์เกิดขึ้นมากมายแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมไม่เตรียมจิตเตรียมใจนะครับไม่พกไม่ซื้อไม่หาไม่นําพา ซ, ซึ่งยาสามัญประจําชีวิตของเราเนี่ยนะฮะอันนี้นะครับจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราอย่างแท้จริง การมีวิชาชีพความรู้นะในการจะออกไปทำมาหากินเนี่ยก็ดีก็ดีนะครับแต่ว่าวิชาอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาการคลองชีวิตคลองจิตคลองใจยังไงให้ไม่ทุกเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องมีมากกว่านั้นอกีกด้วยซ้ำไปนะครับมากกว่านั้นอกีกด้วยซ้าไปนะรัผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีอันหนึง่งผมรู้จักคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นวิสัญญีแพทย์นะผู้หญิง มาทํางานกับผมที่สมัยที่อยู่โรงพยาบาลรถยนที่สุพรรณบุรีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเธอติดยาเสพติดชนิดหนึ่งที่ใช้ในการฉีดยาแก้ปวดชื่อเพทตดีนเรยไยินไฮะเพทตดีนเพทติดีนเป็นยาแก้ปวดอย่างแรงน้องๆมอร์ฟีนนะครับเธอใช้ยานี้เพราะว่าปวดท้องกับปวดหัวเธอปวดท้องกับปวดหัวเพราะอะไรเครียด นะครับเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องครอบครัวมู ล, ลเหตุก็คือว่าในสมัยที่เป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยนะฮะเธอเป็นคนดีหน้าตาดีครอบครัวดีมากนะครับพี่ชายนี่ตอนนี้คงจบปริญญาเอกแล้วคนที่สองก็คือตัวเธอเองคนที่สามก็คือน้องชายเนี่ยจบในร้อยจาปรอเนะฮะเป็นคนที่มีหน้าตาดีนิสัยดีนะครับครอบครัวอุ่ม น, นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนเรียนหยุ่มีแฟน บจบไปทำงานนะฮะที่เมืองการเนี่ยนะมีแฟนใหม่แฟนคนเก่าเลิกกันไปมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่เนี่ยเป็นใครทราบไหมฮะเป็นหมอฟันนะฮะเป็นทันตแพทย์นะผู้ชายนะเป็นทันตแพทย์ก็รักใคร่ชอบพอกันดีนะฮะแล้วต่อมาเธอก็มาเรียนต่อนะครับเป็นวิสัญญีแพทย์จบไปก็คือเป็นหมอดมยาสลบนี่นะฮะก็เมื่อความรักสุขงอมใช่ก็แต่งงานปรากฏว่า วันที่แต่งงานกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีเจ้าสาวโผล่มาอีกคนหนึ่งสนุกไหมงานนี้มันเหมือนนิยายน้ําเน่าเลยฮะแต่เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆนะะนะครับเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆเลยมีเจ้าสาวโผลขึ้นมาอีกคนหนึ่งโอโ้โหนี่โอนละเวงเลยฮะโอนละเวงเลยแล้วชีวิตหลังจากนั้นนะฮะคือหาความสุขไม่ได้เธอหาความสุขไม่ได้นะครับรักหมอคนนี้มากนะครับพ่อแม่เนี่ยนะฮะ บอกให้เลิกก็ไม่เลิกเลิกไม่ได้เครียดทํำยังไงตัวเองเป็นหมอดมยาสลบรู้คุ้นเคยรู้มียาที่ใช้เ่ก็ค่อยๆใช้ยามากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งท้าย ท, ที่สุดก็คือติดยาตัวนี้ฮะทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นต้องใช้ยาตัวเนี้ยทําให้ตัวเองอยู่ได้นะครับพ่อพาไปบําบัดนะครับรักษานะครับที่ท้ายสุดก็คือต้องหนีนะฮะพาลูกหนีนะครับไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาที่มมอ นะบําบัดยาเรื่องยาติดยาเนี่ยน ะ, ะปีกว่าๆนะฮะสบายดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็เลยพาลูกกลับมาอยู่ที่เมืองกาญเขาก็เลยมาทำงานกับผมที่สุพรรณพ่อการจะนกรีกับสุพรรณติดกันปรากฏว่าพอตับมาทํางานเสร็จปุ๊บมีมือถือพอมีมือถือเสร็จปุ๊บโลกไร้พรมแดนเห็นไหมติดต่อกันอีกกับผู้ชายคนนั้นกับหมอฟันคนนั้นอีกภรรยาของเขาก็ก็ยังอยู่นะแล้วภรรยาคนนั้นเป็นใครไหมฮะเป็นหมอเด็กนะเป็นหมอเหมือนกัน นะครับเป็นหมอเหมือนกันแล้วหมอคนนั้นนะก็ไม่ใช่ทุกน้อยกว่าหมอคนนี้นะฮะคนนั้นได้ผ่านการฆ่าตัวตายมาแล้วด้วยแต่ไม่ตายปรากฏว่าเริ่มติดต่อกันอีกเริ่มเครียดก็กลับหันกลับมาใช้ยาที่เรารู้ว่าเธอเป็นอย่างนี้นะครับพอเรามาจับได้ว่าเธอใช้ยาของโรงพยาบาลหมดเลยฮะยาเพชรีนะฮะใช้หมดโรงพยาบาลเลยนะฮะใช้หมดโรงพยาบาลเลยแล้วก็เธออยู่เวร์นะฮะตรวจคนไข้นี่นะฮะลายมือเริ่มเริ่มนั่นเพราะว่า พอปวดหัวมากใช้ยาแอมหนึ่งไม่อยู่ต้องใช้สองต้องใช้สามวันสุดท้ายที่เราจับได้เนี่ยเธอใช้ไปแล้วสี่นะฮะเบลอเบลอสลืมสลือท้ายสุดก็คือว่าเรารู้เสร็จปุ๊ให้เขาไปนอนแล้วก็ตามโทรศัพท์ตามพ่อว่าเนี่ยเรารู้ว่าลูกสาวคุณเนี่ยมีปัญหาคุณพ่อเขาก็กลับมาดูนะะแล้วก็เล่าทั้งหมดเนี่ยให้ฟังนะครับเล่าทั้งหมดนี้ให้ฟั ง, นะล ง, ฟงแล้วคุณพ่อเขาพอดังไงวะลูกคนนี้สงสัยไม่ไหวแล้วนะฮะสงสัยต้องให้เชือกมันสักเส้นหนึ่ง เอาไปทําอะไรเชือกเอาไปผูกรองเท้าใช่ไหมนะครับแล้วเขาก็รับลูกเขากลับไปหลังจากนั้นอีกสามวันนะฮะน้องคนนี้ผูกคอตายนะครับที่เล่ามาตรงนี้เนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยในฐานะที่ยังไม่ได้ออกสู่สงครามชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับอย่าประมาทในเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้อะไรที่ทําให้เขาถอนใจไม่ได้จากการที่รักกับผู้ชายคนนี้มากเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะ มันเป็นพราจิตใจของเขาเนี่ยขาดสติสัมปชัญญะขาดความยับยั้งชั่งใจนะฮะปล่อยวางไม่ได้นะทั้งหลายทั้งมวลก็คือเกิดขึ้นจากการที่จิตใจของเธอเนี่ยอ่อนแอจิตใจที่อ่อนแอเนี่ยนะเป็นจิตใจที่ไม่มีกําลังนะฮะทำให้เธอเนะี่ยต้องประสบหายนะกรรมของชีวิตเรียกว่าเป็นโศกนาตรกรรมของชีวิตก็ว่าได้นะครับทั้งใจที่มีกําลังเนี่ยนะต้องอาศัยอาหารเหมือนกัน ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหมือนกันอาหารของใจที่มีกําลังเนี่ยก็คือเรื่องของสติสมัญญะเรื่องของความรู้สึกตัวเรื่องของการที่เราต้องสนใจเรื่องธรรมะเพราน้องๆคิดว่าบางทีมันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเราเราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกไม่ใช่นะฮะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์วันหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับอย่างที่บอกพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีคนตายทุกวันต้องมีคนที่ต้องพลพรากจากกันทุกวัน ต้องมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งทุกวันแต่ไม่เคยมีใครคิดเลยว่าจะเป็นกับเราหรือเป็นคนใกล้ๆเรานะครับฉนั้นความไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยการเตรียมตัวไว้ก่อนการเตรียมจิตเตรียมใจไว้นะครับพกยาสามัญติดตัวประจําใจไว้นี่นะฮะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับอาจารย์กัปพลทองบุญนุ่มนะเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่พลิกชีวิตของตัวเองนะฮะจากซากของชีวิตมาเป็นชีวิตที่มีชีวาอย่างที่ว่าไว้เนี่ย อาจารย์ซื้อยาทาใจนี่มาจากไหนเนะี่ยฮะเดี๋ยวเราจะได้ยินได้ฟังนะครับในโอกาสต่อไปขอเชิญอาจารย์รสวัสดีครับท่านคณอาจารย์แล้วก็คณะนิสิต ท, ทันตแพทย์แล้วก็ผูส้สนใจที่เคารพทุกท่านก็วันนี้รู้สึกยินดีนะที่ผมเองจะได้มีโอกาสมา ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นกัลยาณมิตรมาให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยธรรมะก็ อ, อื่นก็ขออนุโมทนาแสดงความยินดีกับคณะนิสิตธรรมตาแพ์ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจกับการปฏิบัติธรรมสนใจเรื่องธรรมะถือว่าเป็นกลุ่มของปัญญาชนปัญญาชนแปลว่าผู้ที่มีความรู้สูงโดยปกติแล้วผู้ที่มีความรู้สูงสูงแล้วก็หันมาสนใจธรรมะเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะหายากแต่ที่จริงเนี่ย คนที่เป็นปัญญาชนที่แท้จริงเนี่ยต้องมีความรอบรู้หลายหลาอย่างรู้เรื่องสิ่งภายนอกเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องการทำมาหากินแต่ก็ต้องรู้เรื่องตัวเองด้วยรู้เรื่องสิ่งภายนอกเอาไว้สําหรับประกอบอาชีพอันนี้ว่าเป็นความรู้การดำเนินชีวิตแต่คุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจ เปเรื่องของการประกอบอาชีพดำเนินชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์คนเก่งถ้าขาดคุณธรรมก็เป็นคนดีไม่ได้นะคนเก่งจึงมีปัญหาจึงนอนไม่หลับเป็นโรคจิตโรคประสาทฆ่าตัวตายก็เยอะเนี่ยคือคนเก่งเพราะขาดธรรมะธรรมะกับคุณธรรมเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเราจะสังเกตว่าคนสมัยนี้แม้ว่าจะมีหน้าที่การงานสูง ทำงานดีแต่ถ้าจิตใจเขาขาดธรรมะเนี่ยเขาจะทำงานแบบเครื่องจักรเครื่องจักรทำงานยังไงทำแบบไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะว่าจิตใจเนี่ยขาดธรรมะธรรมะทำใจให้คนมีความสุขทำให้ไม่มีความทุกข์ความหมายของชีวิตอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกตัวยัในใดที่เราขาดความรู้สึกตัวเนี่ย เหมือนเราไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ชีวิตต้องสดชื่นและก็เบิกบานนะถ้าเราจะไม่มีความสดชื่นไม่มีความเบิกบานเท่ากับยังไม่มีชีวิตอยู่ความสดชื่นของร่างกายเนี่ยบอกบอกถึงชีวิตที่แท้จริงแต่จิตใจยิ่งเหมือนนั่นอีกใจก็ต้องสดชื่นด้วยผู้สูงอายุก็สดชื่นแบบผู้สูงอายุคนพิการก็สดชื่นแบบคนพิการหมายถึงด้านร่างกายเพราะนั้น ถ้ากว่าเรามีความรู้มากมายสปาร์ไดก็ตามถ้าขาดธรรมะในจิตใจเนี่ยชีวิตเราก็จะมีปัญหามีความทุกข์ทางานก็ไม่มีความสุขเมื่อก่อนนี้เขามีคําพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงามผมว่ามันไม่ถูกต้องเสมอไปค่าของคนเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความเบิกบานอยู่ที่ความไม่ทุกข์อันนี้จึงมีค่า งานดีงานเด่นงานสำเร็จแต่ใจ ย, ยังมีทุกเนี่ยถือว่าไม่มีค่าชีวิตต้องมีความเบิกบานค่าของชีวิตเนี่คือต้องยิ้มได้อันนี้คือชีวิตที่แท้จริงทำไมคนเราจึงไม่มีความเบิกบานทำไมคนเราจึงมีปัญหาทำไมจึงมีความทุกข์หาความสุขไม่ได้อันนี้ธรร ม, มะมีคําตอบให้ธรร ม, มะนี่ไม่ใช่เรื่องลาสมัยไม่ใช่เรื่องเมื่อสองพันกว่าปี สองพันกว่าปีนั่นเป็นแค่พุทธประวัติธรรมะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องตัวเราในปัจจุบันนี้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่ที่กายที่จิตธรรมะคือชีวิตชีวิตกับธรรมะเนี่ยเป็นส่วนเดียวกันเวลาที่เรามีความทุกข์อย่างเช่นทุกข์ที่นั่นร่างกายมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายแท้ แ, ทแต่ใจเราทําไมถึงเป็นทุกข์ด้วยปวดฟันแต่ใจก็เป็นทุกข์ อันนี้เป็นว่าขาดธรรมะปวดฟันใครๆก็ปวดได้แต่ความทุกข์หรือไม่ทุกข์เนี่ยอันนี้สําคัญคนที่มีธรรมะอเนี่ยจะไม่เป็นทุกข์กับการปวดฟันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญผมเองนี่เคยมีประสบการณ์สมัยก่อนที่ยังไม่เคยสนใจธรรมะไม่รู้จักธรรมะไม่เข้าใจคิดว่าธรรมะนี้ไม่จะเป็นสลับชีวิตเคยนอนปวดฟันในระหว่าปวดฟันเนี่ยเราก็คิดว่า ถ้ามันหายเมื่อไหร่เราจะไปถอนคิดว่าต้องไปถอนแต่พอมันหายปวดแล้วก็ไม่ได้ถอนครั้งที่สองก็เช่นเดียวกันแม้ครั้งที่สามปวดฟันอีกเค้านี้ต้องไปถอนให้ได้ก็ไปร้านหมอพอไปเจอที่ร้านหมอเนี่ยไอ้ความปวดเนี่ยมันมันลืมไปเลยนะมันเกิดมีความกลัวทางด้านจิตใจเกิดความกลัวเห็นเครื่องมือ เห็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วมันกลัวใจมันกลัวจนลืมความเจ็บปวด อ, อยากจะถอนฟันเนี่ยลืมไปเลยมันมีความกลัวซึ่งเป็นอารมณ์ใหญ่แทรกแทนใ น, นด้านจิตใจไม่มีธรรมะพอดีโชคดีที่เจอคุณหมอที่พูดจาดีสนทนากันให้กำลังใจพูดคุยมันก็เลยหายกลัวได้ใช่ไห พราะการพูดการคุยเนี่ยมันช่วยเบี่ยงเบนจิตใจออกจากความกลัวได้พูดจาไพเราะอ่ อ, อนหวานเนี่ยอันนี้ช่วยได้ก็ถอนฝันตามปกติเนี่ยทุกสําคัญเนี่ยความทุกขเนี่ยไม่ใช่ที่ร่างกายไม่ใช่ที่ปัญหาปวดฟันนี่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือกลัวความปวดฟันเนี่ยอันนี้เป็นปัญหามากพอเองพอดีได้ มีโอกาสได้เป็นคนพิการก็เล ย, ยิ่งเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นความพิการครั้งแรกเนี่ยดูแล้วมันมีความทุกข์มากสําหรับเราคิดว่าเราคงจะทําอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะต้องพิการไปตลอดชีวิตแต่อยู่ไปนานนานเนี่ยจึงเข้าใจว่าร่างกายที่พิการเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์แต่ที่มีความทุกข์ว่าใจเราต่างหากใจมันเกิดความยึดมั่นถือมั่น ในร่างกายใจมันมีความวิตกกังวลถึงอนาคตใจที่มีความผิดหวังซึ่งมันเป็นทุกข์มากกว่าร่างกายที่พิการที่ครั้งแรกไม่เข้าใจพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเริ่มเข้าใจว่าความทุกข์ที่แท้จริงนั้นมันเกิดที่นิีใจทำไมเราจึงไม่มีความสุขทำไมจึงไม่มีความสุขเพราะว่าความคิดที่มันวิตกกังวล ความกลัวความรักความโกรธสิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราเป็นทุกข์ที่ใจนะอย่าว่าแต่คนพิการเลยคนร่างกายเป็นปกติก็มีอาการเช่นนี้มันจึงหาความสุขไม่ได้พอมีอารมณ์ของความคิดต่างๆมาปรุงแต่งเนี่ยจิตมันก็ไม่เบิกบานจิตมันก็ไม่ตื่นอันนี้จิตมันไม่เป็นจิตเพราะขาดความรู้สึกตัวอยู่จิตใจมันจึงเป็นทุกข์มาก ที่จิตใจเพราะนั้นการศึกษาธรรมะการหันเหตีวิตมาสนใจกับธรรมะเนี่ยอันนี้มีประโยชน์มากทำให้เราเข้าใจชีวิตเราที่แท้จริงชีวิตไม่ใช่มีส่วนเดียวเฉพาะร่างกายมีส่วนของจิตใจด้วยซึ่งเป็นส่วนสำคัญเขาจึงบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายไปอันนี้คือกระบวนการของชีวิต ก็ อ, อันเหงษิชีวิตมาสนใจกับธรรมะธรรมะในมีมากมายเหมือนยาทั้งตู้เมือหยิบ ม, มาขนานหนึ่งเนี่ยแก้สารพัดโรคธรรมะไม่ใช่มีเฉพาะการให้ทานการรักษาศีลหรือการทําสมาธิเท่านั้นธรรมะไม่ใช่การอ่านการฟังหรือการซักถามพูดคุยหรือนึกคิดไม่ใช่ธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่าง ที่รวมตัวเดียวคืออยู่ที่ความรู้สึกกับสิ่งที่ถูกรู้สึกเข้าใจตรงนี้ไหมความรู้สึกกับสิ่งที่มาให้รู้สึกทั้งสองอย่างเนี่ยรวมตัวเป็นธรรมะการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิเขามีมาก่อนที่พุทธศา ส, สนาจะเกิดขึ้นเดี๋ยซ้าไปศาสนาพุทธมีอยู่ตรงที่การทำภาวนา คือวิปัสนาภาวนาวิปัสนาภาวนาแปลว่าความเห็นแจ้งถ้ามีการเห็นแจ้งตรงนั้นมีพุทธศาสนาเป็นตัวปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาชีวิตเพราะนั้นจะทำยังไงที่เราจะเห็นแจ้งได้เห็นแจ้งเรื่องอะไรเรื่องตัวเราถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเนี่ยไม่รู้จักชีวิตเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบไม่ถูกต้องจะมีแต่ปัญหา เพราะนั้นขั้นแรกเราต้องมารู้จักตัวเราก่อนรู้จักชีวิตของเราก่อนไม่มีสายแขนงไหนคณะใดที่สอนเรื่องตัวเราเนี่ยได้ดีเท่ากับพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์สอนเรื่องกายเรื่องจิตให้มาดูกายให้มาดูจิตและไม่ใช่ดูในตำราต้องดูที่เนื้อที่ตัวที่ยังเป็นๆอยู่จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นของจริงเราจะต้องมารู้จักตัวเรา วิชารู้จักตัวเราเนี่ยมีม้มที่ไหนสอนอก็คือการอาศัยเครื่องมือที่จะมารู้จักตัวเราได้นั้นต้องอาศัยเครื่องมือที่ในภาษาธรรมเขาเรียกว่าสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสญญวตวสญญิเป็นภาษาบาลีสัมปชัญญะเป็นภาษาบาลีอันนั้นเป็นในตำรา แต่ถ้าเอาในทิ่สภาวะหรือในอาการจริงๆไงเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าความรู้สึกตัวหรือเรียกอีกในภาษาชาวบ้านว่าความรู้เนื้อรู้ตัวนั่นคือตัวชีวิตที่แท้จริงถ้าเราไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันเหมือนอย่างเราไม่มีชีวิตกําลังนั่งฟังอยู่จิตใจเลื่อนลอยขาดความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย ท่านเหมือนซากศพนะเราเคยใช้ชีวิตแบบรู้สึกตัวบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามนะเราเคยทานอาหารแบบรู้สึกตัวไหมหรือทานไปคิดไปคิดถึงโครงการต่างๆทานให้มันจบๆจะได้รีบไปทำอย่างอื่นอันนั้นทานอาหารแบบงมงายนะทานแบบขาดความรู้สึกตัวคิดโครงการต่างๆทานโครงการเขาไปจนหมดเลย เราเคยเดินอย่างมีความรู้เรื่องู้ตัวไหมหรือเดินเพื่อจะให้ถึงเรารู้ไหมว่าเรากําลังเดินถ้าเดินแบบไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวานะเราดูทีวีอย่างรู้สึกตัวหรือเปล่าหรือเราเข้าไปเป็นกับทีวีเข้าไปเป็นผู้แสดงเป็นผู้กํากับเราโทรศัพท์แบบรู้สึกตัวหรือเปล่าเรามากักจะ ไหลเขไปกับเรื่องราวต่างๆในโทรศัพท์ไม่รู้ว่าเรากําลังโทรศัพท์เวลาเราอยู่ในชั้นเรียนฟังเลคเชอร์จากอาจารย์เรารู้ไหมว่าเรากําลังฟังหรือเราเข้าไปในเรื่องราวที่ท่านพูดทั้งหมดรู้สึกตัวรู้สึกคือความระลึกได้ตัวคือกายคือจิตเรารู้ตัวทั่วพร้อมแบบ น, นี้หรือเปล่าถ้าใครไม่มีไม่มีสามอย่างรวมกันแล้วก็เท่ากับไม่มีชีวิตนะคือมีความรู้สึกที่ตัวเรา ไม่รู้สึกกายก็รู้สึกที่ใจอันนี้มันเป็นวิชาใหม่แต่เขามีมานานแล้วอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจเราต้องลองฝึกเอาเองเพราะเองนี่ที่ชีวิตมีปัญหาหาความสุขไม่ได้สมัยก่อนเพราะไม่มีความรู้สึกตัวเวลาร่างกายพิการใจมันก็คิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านต่างๆแล้วใจเราก็เผลอไปกับความคิดไม่มีความรู้ตัว ถ้าคิดดีมันก็ดีถ้าคิดไม่ดีเราก็เป็นทุกข์และไม่รู้ด้วยว่าเราคิดจนมาสายการฝึกเจริญสติเนี่ยฝึกทำความรู้สึกตัวเนี่ยฝึกการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยการเจริญสติโดยทั่วไปแล้วผมนี่จะนั่งได้ไม่นานอยู่ในอิเลียบทนอนที่เป็นส่วนมากก็นอนอยู่บนเตียงก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยเดินจงกรมก็ไม่ได้ มันอัตคัดเรื่องเอเลียบทนะก็นอนทําความรู้สึกตัวกับการพลิกมือเล่นๆพลิกมืองายพลิกมือคว่ําให้รู้สึกตัวกับการพลิกมือให้มีสติรู้ลงไปที่มือกําลังพลิกไปพลิกมาทําเล่นๆไม่ได้เพ่งไม่ได้บังคับแต่ทําเรื่อยๆให้รู้สึกตัวโดยแบบธรรมชาติรู้โดยธรรมชาติไม่ได้บังคับรู้แบบสบายๆ รู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างเงี้ยจิตมันก็เป็นปกติได้ก็นอนทำอยู่เงี้ยเวลาห้าหกเจ็ดชั่วโมงนอนทามันจะมีบางสีบางอย่างที่จะชวนจิตเราออกนอกตัวเราก็เรื่องความคิดเพราะโดยธรรมดาแล้วผมเป็นคนคิดมากทุกครั้งที่มันคิดเราก็เผลอไปกับมันไม่มีความรู้ตัวเรานึกได้ก็กลับมารู้ตัวกับการเคลื่อนไหวเริ่มจากการรู้ที่กายเคลื่อนไหวไปมายี่เนี เพราะถ้าแม่อาศัยกายเคลื่อนไหวเนี่ยเราจับหลักไม่ได้เลยจิตมันจะเลื่อนลอยตั้งหลักไม่ได้อาศัยการพลิกมือเนี่ยรู้สึกรู้สึกให้จิตมันอยู่กับตัวไว้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวไว้ไม่งั้นมันก็จะไปกับความคิดทุกครั้งที่เราเผลอสติความคิดมันก็พาจิตไปเที่ยวแต่พอเรารู้ตัวว่าเราเผลอมันก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวเองจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งนะความคิดต่างๆที่มันมาปรุงแต่งมันก็เข้าไม่ถึง พอเรารู้ทันชีวิตทั้งวันก็ใช้อย่อยางนี้แหละพลิกตัวไปก็รู้สึกว่ามันพลิกตัวดื่มน้ําก็รู้สึกทานข้าวก็รู้สึกจิตมันก็ไม่ไปคิดให้ฟุ้งซ่านความทุกข์ต่างๆก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นมันมีปัจจุบันชีวิตมีปัจจุบันเพราะฉะนั้นวิธีการฝึกสติเฝึกความรู้ตัวเนี่ยเราทําได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งแต่เขาให้เราเริ่มรู้ที่กายถ้ารู้กายชัดเจนเนี่ย ต่อไปเราจะเห็นจิตใจเราจะเข้าใจชีวิตเราคนที่มีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่เบื่อไม่เหงานะมันจะไม่เซ็งคนที่บ่นว่าเซ็งชีวิตเนี่ยเพราะขาดความรู้ตัวไอ้ความเซ็งเนี่ยมันเกิดจากความคิดความเบื่อเกิดจากความคิดทั้งหถ้าเรามีความรู้นรู้ตัวเนี่ยความคิดมันปรุงแต่งไม่ได้ความเบื่อความเซ็ง คนที่ขี้หลงขี้ลืมขี้หลงขี้ลืมลืมแว่นตาลืมนาฬิกาลืมกระเป๋าตังค์ลืมกุญแจอันเนี้ยขาดความรู้สึกตัวต่างนนคนที่ใช้ชีวิตที่ผิดพลาดบ่อยๆนึกจะพูดก็พูดนึกจะทําก็ทําทําแล้วพูดแล้วก็กลับมาเสียใจโอ้เราไม่น่าทําอย่างนั้นเลยบางทีมันก็แก้ไขไม่ได้เพราะขาดความรู้ตัว ชีวิตผิดพลาดบ่อยๆต้องตามแก้ไขยอยู่เรื่อยคนที่มีความรู้ตัวเนี่ยชีวิตจะปลอดภยัยมันจะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเพราะนั้นทุกวันเนี่ยเราสามารถฝึกได้ว่าเรารู้ตัวไหมว่ากายเรากาลังทาอะไรใจมันกาลังคิดอะไรรู้แค่สองอย่างเนี่ยแล้วมันจะรู้รอบมันจะรู้รอบตัวเราด้วยเมื่อเรามีความรู้ตัวมากๆเนี่ยความหลงลืมตัวมันก็จะหายไปนะ ส อ, อย่างเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ความผิดพลาดที่เราหลงลืมตัวเนี่ยมีเยอะเลยเมื่อมีสติมีความรู้ตัวเนี่ยมันจะมีสมาธิสมาธิไม่ต้องไปทำก็ได้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีสมาธิเกิดขึ้นเองเรียกเป็นสัมมาสมาธิสมาธิโดยธรรมชาติไม่ต้องไปนั่งหลับตาเพ่งจ้องไม่ใช่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีสมาธิแลวก็จะมีปัญญาคือรู้รอบ ปัญญาในทางพุทศาสนาเนี่ไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงเห็นพระพุทธรูปเห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่อันนั้นอาจจะเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่จริงมันจะเป็นความคิดการเห็นธรรมะนั้นไม่ใช่เห็นนอกตัวเห็นตัวเรานี่แหละเห็นกายว่ากาลังทำอะไรเห็นใจว่ากาลังคิดอะไรอันนี้คือเห็นธรรมะอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยนี่แหละคือ ธรรมะใกล้ๆตัวเรามันเห็นอะไรเห็นความทุกข์ความสุขในตัวเราเห็นไหมที่เรานั่งนานๆเนี่ยรู้สึกไหมว่ากายเราเป็นทุกข์รู้ไหมว่ากายเป็นทุกข์มันปวดมันเมื่อยไหมเห็นจิตใจมันหงุดหงิดไหม <c oughs> นั่นเราเรามีความรู้ตัวแล้วแต่สังคารที่ว่าเมื่อร่างกายเป็นทุกข์ใจเราเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าใจเป็นทุกข์นี่ขาดความรู้สึกตัวนะ ความรู้สตัวนี้ไม่ทุกข์ไม่สุขรับรู้รับทราบไว้เฉยๆว่าอ๋อร่างกายเป็นทุกข์เมื่อฟันมันปวดแต่ใจก็ไม่ได้ปวดใจทาหน้าที่รับรู้รับทราบแล้วก็แก้ไขไปร่างกายที่มันพิการใจมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยความพิการเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่ใจเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้รับทราบแล้วก็แก้ปัญหาไปตามที่จะแก้ไขได้ ความเจ็บไข้ได้ดป่วยที่เกิดแต่ร่างกายเนี่ยเราห้ามไม่ได้ห้ามได้ไหมจะไม่ให้ปวดเขา่าห้ามไม่ให้ปวดหลังได้ไหมห้ามไม่ให้ปวดศีรษะได้ไหมเรามีอวัยวะส่วนไหนมันก็เป็นทุกข์ส่วนนั้นดีนะเราไม่มีงวงไม่มีหางถ้าเรามีงวงมีหางเนี่ยต้องมีปวดงวงปวดหางสภาพของความทุกข์เนี่ยร่างกายเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ว่าเราสามารถฝึกสติ นำจิตออกจากความทุกข์ทะนั้นร่างกายได้อันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาคนที่มีความเจ็บปวดด้านร่างกายเนี่ยถ้าใจเป็นทุกข์ด้วยเนี่ยมันจะเป็นทุกข์มากจะปวดมากยิ่งกว่าปวดแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวกั บ, กบอาการปวดเหล่านั้นเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันหายออกมาแล้วครึ่งหนึ่งจะเป็นทุกข์น้อยลงเนี่ยในภาษาธรรมเขาเรียกว่าแยกกายแยกจิต แยกรูปแยกนามไม่ได้แยกไปไหนอยู่ด้วยกันแต่ว่าทาหน้าที่ต่างกันความทุกข์เป็นเรื่องของกายความรู้สึกเป็นเรื่องของจิตมันเป็นคนละอันกันแต่ที่มันเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะความคิดที่มันปรุงแต่งให้ความปวดมันปวดมากยิ่งขึ้นปวดท้องหน่อยนึงก็โอ้โหนสงสัยจะเป็นมะเร็งแล้วจะเจ็บยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นมะเร็งใครจะดูแลลูกเรา อนาคตเราจะเป็นยังไงปรุงแต่งมะเร็งยังไม่เกิดขึ้นในทองเลยแต่ปรุงแต่งจนเป็นโรคร้ายในจิตใจนั่นแหะเป็นมะเร็งในจิตแล้วถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะแยกได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คือตัวปัญญามีสติแล้วมันเกิดปัญญาคือรู้แจ้งเห็นจริงเอาสมมติว่ามีการปวดฟันเกิดขึ้นพูดกับทันตะแพ้ก็ต้องพูดว่าฟันนะ ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลามันปวดฟันเนี่ยคนที่ขาดสติขาดความรู้สึกตัวเนี่ยจิตใจก็จะเป็นทุกข์มากแต่ถ้ามีสติมันเกิดปัญญาจะรู้ว่าฟันเนี่ยไม่ได้ปวดฟันเป็นเรื่องของรูปธรรมความปวดเป็นเพียงแค่ทุกขเวทนาที่มันแทรกอยู่ในฟันมันคนละอันกันระหว่างฟันกับความปวดใช่ไหม ถ้ามีฟันมันต้องมีความปวดแน่เมื่อฟันมันผิดปกติมันจะเห็นมาสองอย่างนี้ไม่ใช่เดียวกันปวดก็ส่วนหนึ่งฟันก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีความคิดที่มันปรุงแต่งชอบไม่ชอบนั่นก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีจิตผู้ที่รู้ในความปวดในความคิดนั่นก็อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมมันแยกเป็นสภาวธรรมเลยสี่ส่วนเนี่ยไม่ใช่เดียวกัน ฟันก็ส่วนหนึ่งความปวดก็ส่วนหนึ่งความคิดที่มันปรุงแต่งนั่นก็อีกส่วนหนึ่งผู้รู้ก็อีกส่วนหนึ่งใช่ั้มไม่แช่เดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแยกกันอยู่แล้วมันแยกการทำหน้าที่กันอยู่แล้วเขาจเรียกว่าขันห้างะมีอยู่คอลกองคองลกองนะแต่ว่าคนขาดความรู้สึกตัวเนี่ยขาดปัญญาเนี่ยเ็นว่ามันคือส่วนเดียวกัน กายปวดใจก็ทุกเวลามันคิดปรุงแต่งใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้ทั้งชีวิตเนี่ยหาความสุขไม่ได้เวลามันคิดดีใจแล้วก็แวบไปทางดีด้วยเวลาคิดไม่ดีใจแล้วก็ไม่ดีด้วยขึ้นๆลงๆอารมณ์ดูตอนเช้าเราหน้าตอนเพลงเราเหม็นตอนบ่ายกังคืนเป็นควันกลวันเป็นไฟขึ้นๆลงๆบางทีก็เป็นแม่พระบางเวลาเป็นแม่มดไม่เกรงใจคนพิการเป็นเพราะว่าจิต ขาดความรู้สึกตัววิ่งไปกับอารมณ์บ่อยๆเ้าแล้วก็มีแต่ความทุกข์ถ้าว่าจิตใจใครมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอๆเนี่ยการปรุงแต่งจะเกิดขึ้นไม่ได้ความคิดห้ามไม่ได้ความตกกังวลห้ามไม่ได้แต่เราสามารถเจริญสตินาจิตออกจากความปรุงแต่งได้โดยที่ไม่ต้องไปห้ามความคิดแต่รู้ทันและก็อยู่เหนือการปรุงแต่ง แยกจิตแยกกายแยกอารมณ์ความคิดออกจากจิตอยู่ที่ความรู้สึกตัวล้วนๆอันนี้คือทางรอดคือความสุขนะมันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้ดูสิ่งที่เราชอบได้ฟังสิ่งไพเราะได้ดมกลิ่นอหอมได้รับประทานอาหารที่อร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลหรือได้คิดนึกในสิ่งที่เราชอบใจอันนั้นเป็นความสุขแบบหลอกๆอ่ะ มันสุขที่ไม่แท้จริงมันสุขร้อนๆมันสุขไม่สุขเกลียมก็แสวงหากันไปแต่ความสุขในทางธรรมเนี่ยมันสงบเย็นมันสุขแบบสบายอ่ะมันสุขแบบสบายอ่ะความสุขกับความสบายนี่ต่างกันนะความสุขในี่สุขสนานเนื้อเต้นเน็ตเหนื่อยแต่ความสบายไม่ใช่อย่างนั้นความสุขทางธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขที่เป็นสุขภาพดี สุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีและไม่ต้องสแสวงหาหยุดการสแสวงหามันเกิดขึ้นเองในจิตใจเท่านั้นยิ่งสแสวงหาความสุขเนี่ยยิ่งไม่เจอความสุขทางธรรมนะเป็นความสุขที่เกิดจากจิตไม่มีกิเลสปรุงแต่งและสุขได้นานไม่เสียเงินเพราะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยจะควบคุมจิตใจได้ คือเอาชนะใจตนเองได้สิ่งที่ทําได้ยากที่สุดคือเอาชนะใจตนเองยันไดที่ใจเราเกิดความอยากเห็นไหมทุกท่านย่อมมีความอยากเกิดขึ้นในจิตใจอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นคนที่ขาดสตินี่ก็จะทําตามความอยากไปเลยเช่นว่าอยากได้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึง่งพอขาดสติปับ๊บก็จะแสวงหา แล้วก็คิดปรุงแต่งต่อจากความอยากนะมีลูกเล่นดีๆหลายๆอย่างคนนุ่งก็มีแล้วเราควรจะมีบ้างเดี๋ยวก็แสวงหาซื้อมาก็ทําตามความอยากแต่คนมีสติเนี่ยจะรู้ท้อทันในความอยากแล้วก็ไม่หาซื้อมาก็ได้บางทีก็คิดดีนะเนี่ยต่อไปเราอาจจะรุ่นต่อไปมันลูกเล่นมากกว่านี้อีกอย่าเพิ่งซื้อเอาไว้ซื้อเขาหน้าเนี่ยมันมีสติคอยยับยั้งชั่งใจเอาชนะความอยากได้ หลายคนชีวิตมีปัญหาเพราะความอยากเอาชนะไม่ได้ตกไปท่ากความอยากจิตก็ไม่เป็นอิสระที่แล่นั่งคือความโกรธความโกรธในมีทุกคนเราห้ามไม่ได้คนขาดสติก็จะทําตามความโกรธไปด่าเขาไปทําร้ายเขาบางทีหมดอนาคตเสียอนาคตเลยเพราะความโกรธของเราติดคุกติดตารางก็มีพวกเสพยาเสพติดนี่เกิดจากความอยากนั้นนะั้นนะเนี่ย เพราะขาดความรู้สึกตัวขาดสติทำตามอารมณ์แล้วเราก็เกิดปัญหาในตัวเราเองคนที่มีสติเนี่ยจะทำอะไรก็ตามจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สติเป็นคุณธรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์จะรู้จักกาละเทศะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษมันจะมีความเมตตาอยู่ในตัวนั้น แล้วก็มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันจะเริ่มเข้าใจตัวเราและเข้าใจผู้อื่นอันนี้ลหละคือความรู้สึกตัวเป็นคุณธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเริ่มมองเห็นคุณค่าในชีวิตแต่ก่อนนี่ผมเองนี่ไม่เคยเห็นคุณค่าขอ ง, ของตัวเองเลยนะเป็นคนพิการที่ไร้ตาระแต่พอปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโชคดีของเราที่เราได้พิการเห็นคุณค่าของความพิการ ใช้ชีวิตที่พิการด้วยความภูมิ อ, อกภูมิใจเห็นคุณค่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เราบอกกับใครเขาก็ไม่เข้าใจต้องลองสัมผัสกับความรู้สึกตัวกับธรรมะจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจมันเป็นคุณธรรมเป็นธรรมะเพราะนั้นปัญญาชนเนี่ยผมว่าถ้าเรามีความรู้มากเราต้องมีคุณธรรมมากคู่กันไปมันจะสมบูรณ เป็นคนเก่งแล้วต้องเป็นคนดีด้วยมันจึงไม่เป็นทุกข์คนที่มีความรู้มากแล้วเป็นคนเก่งแต่ยังขาดคุณธรรมยังขาดความดีเนี่ยมันก็ไม่ผิดกับอีแล้งอะ่ะอีแล้งนี่บินสูงนะบินสูงแต่อีเล้งกินของต่าๆของเน่าๆอันเนี้ยเพราะเป็นคนเก่งแต่ยังไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนเก่งและมีคุณธรรมประจําใจได้เนี่ย มันจะเปรดเสมือนบุคคลที่เป็นพุทธคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือมีความรู้สึกตัวเสมอๆตื่นจากความหลับไหลตื่นจากกิเลสตื่นจากความโง่หลงงมงายแล้วก็มีความเบิกบานเป็นผลตามมาคนขาดสติจิตจะไม่เบิกบานนะคนมีสติมีความรู้สึกตัวนจิตจะเบิกบานในความรู้สึกตัวเนี่ย จะมีสมาธิมีความเบิกบานอยู่ในตัวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตัวนี้มากๆเราจะได้ทำงานอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่เป็นอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ความคิดที่มาปรุงแต่งชีวิตที่เป็นอิสระนั้นคืออยู่เหนือจิตเหนืออารมณ์เหนือความคิดต่างๆเป็นตัวของตัวเองบุคคลที่มีความรู้สึกตัวเนี่ย จะมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นของตัวมาจากไหนเราต้องฝึกต้องสร้างขึ้นมาใหม่มาต้องสร้างขึ้นมานะอาศาัยการวิสติดูกายเคลื่อนไหวดูใจที่มันคิดมันนึกนี่แหละทำเพียงแค่นี้แต่ต้องอาศาัยรูปแบบสักหน่อยอาศาัยรูปแบบถ้าไม่มีรูปแบบเนี่ยเราก็จะทำไม่เป็นการเจริญสติก็ดีนอกรูปแบบหรือในรูปแบบก็ดีเนี่ยเราต้องทาเสมอเสมอ ไม่มีวันหยุดการมีความรู้สึกตัวเนี่ยไม่มีเสาอาทิตไม่มีเวลาหยุดราชการถ้าหยุดเมื่อไหร่แล้วก็ความหลงจะแทรกทันทีเลยชีวิตเราก็หายไปความหลงจะแทรกเพราะนั้นเราต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการสร้างตัวรู้จะทําอะไรก็ตามให้มีความรู้สึกตัวไว้สร้างตัวรู้ไว้เพื่อมันรู้จักตัวเราเรื่อยๆจะดื่มจะเคี้ยวจะเดิน จะอาบน้ําแต่งหน้าแต่งตัวให้รู้สึกให้รู้สึกไว้อยากเคลื่อนไหวฟรีๆอยากคิดฟรีๆอยากเป็นทุกข์ฟรีๆอยากกรธฟรีๆให้มีสติตามรู้เวลาเรานั่งฟังเล็กเชอร์ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็ากจะจาบทเรียนไม่ได้ไม่จะจำอะไรไม่ได้เพราะจิตใจเมื่อลอยขาดสติความรู้สึกตัวเนี่ยเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ที่จะคอยมาตักเตือนเรา แม่เราผิดพลาดในการใช้ชีวิตเปรตเหมือนกาลยนานมิตรคอยช่วยเหลือเราเดินอย่างมีสติก็เดินแบบกุศลสติสามัญญะก็ดีหรือความรู้สึกตัวก็ดีเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายของกุศลเป็นฝ่ายบุญกุศลเราสามารถสร้างบุญกุศลได้ทั้งวันนั่งอยู่ก็รู้สึกนี่เราสร้างกุศลแล้วเดินอยู่ก็รู้สึกเราก็สร้างกุศลในตัวเองไม่ต้องไปวัดทําได้ทุกที่ เอากายเป็นวัดเอาจิตเป็นพระนี่แหละทําด้ทุกที่ทานอาหารก็รู้สึกนี่ก็สร้างกุศลอาบน้ําแต่งตัวทุกอย่างในการใช้ชีวิตให้เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราสร้างกุศลได้ทั้งวันเลยได้ตลอดชีวิตเลยอันนี้เป็นอาณาจัรมิตรเป็นเพื่อนเราเขาจะช่วยเหลือเราถือว่าเรามีคุณธรรมทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกตัวเขาเรียกเป็น ที่พึ่งเป็นที่พึ่งในด้านจิตใจที่พึ่งทางใจนี่ใครให้เราไม่ได้เราต้องสร้างตัวของเราเองเป็นมงคลชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์สมัยเนี้ยมันมีอะไรแปลกๆเหตุการณ์ทั่วโลกที่เมืองไทยที่รอบตัวเรามีอะไรแปลกๆสิ่งที่ไม่คาดฝันนี่มันเกิดขึ้นกับตัวเราได้เสมอๆนั่นเราอย่าประมาทถ้ามัน กขึ้ น, นตัวเราเนี่ยถ้าเราขาดสติขาดความสุกตัวเนี่ยเราจะแก้ปัญหานั้นไม่ได้นะปัญหาต่างๆเนี่ยเราห้ามไม่ได้มันย่อมมีมันยอมม่มนยอมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกฝนจิตใจเราแล้วเนี่ยแม้ว่าปัญหาจะมากแค่ไหนใจเราก็จะไม่เป็นทุกข์ในความสับสนวุ่นวายถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยใจก็จะไม่วุ่นวายไปด้วยใครก็ตามเขามีความทุกข์ แต่ถ้าเรามีธรรมะมีความรู้ตัวเนี่ยเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับเขาเราจะหาความสุขได้ในความทุกข์ได้สัไปอันนี้คือประโยชน์จิตใจเราก็จะเบิกบานไปเองเพราะนั้นอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะให้ฝึกรู้สึกตัวเสียแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอยพิการอย่างผมก็ได้รีบทำที่เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะสายเกินไปเอาละ ท้านี้ก็ขอฝากคำกรอนไว้บทหนึง่งเป็นคำกรอนที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกตัวมีคำกรอนที่ชื่อว่ารู้สึกตัวแล้วก็จะรู้ธรรมะมีพระกุศเจ้าท่านแต่งเอาไว้ท่านแต่งไว้ว่าความรู้ตัวเป็นธรรมจุดลำเลิศก่อให้เกิดกุศลผลสดใสอกุศลทั้งหลายหดหายไปทำอื่นใดหรือจะสู้ความรู้ตัว เราสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับคณะนิสิตนักศึกษาธนบัตรทุกท่านเนี่ยจะมีความเจริญในธรรมมีสติมีปัญญาปราศจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด